وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ لَثَّ جਿੰਗ 라우 데 프라탄 캄피 태อ럿 티 야엑 라왕 คว암 จิงกอ คว암 เททไฮแกมูซาแลฮารูนแล벤ดวงปราทีบแลคอตักเตือนสําหรับบันดาพูยัมเก الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ بੰਦਾ ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ และนี่คือข้อตักเตือนที่จำเริญอัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานมันลงมาแล้วพวกเจ้าจะยังปฏิเสธมันอีกหรือวะละกอดไอนาอิบรอฮีมรุชดะฮูมินกับลวะคุนนาบิฮีอาลีมินและโดยแน่นอนเราได้ให้ความเฉลียวฉลาดแก่อิบรอฮีมแต่ครั้งก่อนโดยที่เรารู้จักเขาดี اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون พวกเขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่ารูปปั้นอะไรกันนี่ที่พวกเจ้าเฝ้าบูชากันอยู่ قالوا وجدنا ابانا لها عابدين พวกเขากล่าวว่า เราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราเป็นผู้สักการะบูชามันมาก่อนกาล لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين เขากล่าวว่าโดยแน่นอนพวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง قالوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ هو กล่าวว่าเจ้าได้นำความจริงมาเสนอแก่เราหรือเจ้าเป็นเพียงคนหนึ่งในหมู่ผู้ล้อเล่น قَالَبَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ เขากล่าวว่า แต่ที่จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาฉันฟ้าและปราชญ์ซึ่งพระองค์ทรงดำริมิตรมั่นและฉันเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานในเรื่องนี้วัตอัลลอฮิลออกีดันอัศนามุกุมบะอดาอันตุลลูมุดบิรีนและขอสาบานต่ออัลเลาะห์แท้จริง ฉันจะวางแผนต่อต้านรูปปั้นทั้งหลายของพวกเจ้าหลังจากที่พวกเจ้าได้ผินหลังกลับออก فَعَلَى هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ພວກເຂົາກ່າວວ່າໃຜກະທໍາເຊັ່ນນີ້ກັບພະເຈົ້າຂອງເຮົາແທ້ຈິງເຂົາຜູ້ນັ້ນຢູ່ໃນຫມູ່ຜູ້ອະທໍາຢ່າງແນ່ນອນ ﻗﺎﻟﻮ ﺳﻤِعﻨﺎ ﻓﺘﺎﻳَﺬﻛﺮﻭ ﻳﻘﺎﻟﻮ ﻟﻬﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ພວກເຂົາກ່າວວ່າ เราได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวตำหนิรูปปั้นเหล่านี้เขามีชื่อว่าอิบรอฮีมกาลูฟาอตุบิฮิอะลออะอุนนาสลัลละฮุมยัชฮะดูนพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงนำเขามาท่ากลางสายตาของประชาชนหวังว่าเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยานกาลู អント फअन्त हादा बआलहतिना या इब्राहिम पुकौ क्लौ वा चाउ पेन फू थम चिन नी कप प्राजाउ खोंग राव खरा नन रु इब्राहिम एई कॉल बल्फअल्हु कबीरहुम हादा फसअलुहुम फसअलुहुम इन् कानू यन्तिकुन हौ क्लौ वा ว่าพระเจ้าองค์ใหญ่ของพวกนี้ทั้งห่าเป็นผู้กระทํามันพวกเจ้าจงถามพระเจ้าเหล่านั้นสิหากพวกมันพูดได้ดังนั้นพวกเขาจึงกลับมาคิดถึงตัวของพวกเขาเอง แล้วกล่าวขึ้นว่าแท้จริงพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้อธรรมซุมมันกิสุอะลารูอูซิฮิมละกอดอะลิมตะมาฮาอูลาอียันติกูนครั้นแล้วศีรษะของพวกเขาก็ก้มลงมาอยู่ในสภาพขอตกแล้วกล่าวว่าเจ้าอิบรอฮีม ก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได้กะลาอะซะตะอ์บุดูนะมินดูนิลลาฮิมาลายันฟะอุกุมชัยอ์อ์วะลายัดดุรุกุมเขากล่าวว่าพวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ที่มันไม่ให้คุณแก่พวกเจ้า ละไม้โทษแก่พวกเจ้าตะอย่างใดเลยกระนั้นรึอฟิลละกุมวะลิมาตะอะบูดูนะมินดูนอัลลอฮิอะฟะลาตะอะกิลูนเป็นที่น่ารังเกียจแก่พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮพวกเจ้าไม่มีสติปัญญาหรือกอลูฮาริกูฮูวะอันซุรูอาลฮาตุกุมอินกุนตุมฟาอิลีน พวกเขากล่าวว่าจงเผาเขาเสียและจงช่วยเหลือบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าห้ามพวกเจ้ากระทําเช่นนั้นอุลนายานารุกูนิบัรดาวะซาลามันอะลาอิบรอฮีมเราอัลเลาะห์กล่าวว่าไฟเอ๋ยจงเย็นลง ในความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเถิดวาอาราดูบิฮิไคดันทาจาอัลนาฮุมุลอัคซารีนและพวกเขาปรารถนาที่จะวางแผนร้ายแก่เขาแต่เราได้ทําให้พวกเขาประสบกับความสูญเสียมากยิ่งกว่าวะนัจญายนาฮูวะลูฏันอิลาลอัลดิลละตีบารักนาฟิฮาลิลอาลามีนและเราได้ให้เขาอิบรอฮีมและรูฏ รอดพ้นไปสู่แผ่นดินซึ่งเราได้มีความเจริญในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่างๆและเราได้ให้บุตรชื่ออิสฮากแก่เขาและยาโคบหลานเป็นการเพิ่มพูนทั้งหมดนั้นเราได้ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه واتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين لا راودىแต่งตั้งไอพวกเขาเป็นผู้นำ เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องโดยคำสั่งของเรา ແລະເຮົາໄດ້ໂອງການແກ່ພວກເຂົາໃຫ້ປະຕິບັດຄວາມດີ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 แพทิเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่คนดี وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ละจงรำลึกถึงเรื่องราวของนูห์เมื่อเขาได้ขอต่อล้อก่อนหน้านั้นแล้วเราได้ตอบรับการขอแก่เขาและเราได้ช่วยให้เขาและพรรคพวกของเขา รอดพ้นจากความทุกข์ยากอันใหญ่หลวงและเราได้ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของเราแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าแล้วเราได้ให้พวกเขาทั้งหมดจมน้ําตาย وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَضَرِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ لاจงรำลึกถึงเรื่องราวของดาวูดและสุไลมาน เมื่อเขาทั้งสองได้ตัดสินในเรื่องไร่นาเมื่อฝูงแกะของกลุ่มชนได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลากลางคืน และเราเป็นพยานต่อการตัดสินของพวกเขา ففهمنا سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وسخضنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكننا فاعلين ดังนั้นเราได้ดลใจให้สุไลมานเข้าใจการตัดสินใจนั้น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 เพื่อป้องกันเจ้าจากการรบพุ่งกันและพวกเจ้าจะเป็นผู้กตัญญูรู้คุณบ้างไหมโออัลอิซุไลมานรี่ฮาอาศิฟะตันตัจรีบิอัมรีอิลาอัฟฎิลลาตีบารักนาฟิฮาวะกุนนาบิคุลชัยอ์อาลีมีนและสําหรับซูไลมานเราได้ทําให้ลมกลายเป็นพายุตามคําบัญชาของเขา ไปยังดินแดนซึ่งเราได้มีความจำเริญณที่นั้นและเราเป็นผู้รอบหวงทุกสิ่งวะมินัชชะยาตีนมะนยะกูซูนละฮูวะยะอ์มะลูนอะมะลันดูนฑาลิกวะกุนนาละฮุมฮาฟิซีนและเราได้ชัยตอนบางตัวดำน้ำให้ซุลัยมานและพวกเขาทำงานอื่นจากนั้นและเราเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง พวกเขาเหล่านั้นวะไอยูบะอิธนาดะร็อบบะฮูอันนีมัสซะนิยุดดุรวาอันตะอัซฮัมุดดอรฮีมละจงรำลึกถึงเรื่องราวของไอยูบเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันนั้นความทุกข์ยากได้ประสบแก่ฉันและพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิ่ง นายบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายฟัสตัจาบนาละฮูฟะกัชัฟนามาบีฮิมินดุรวาอะไตนาฮูอะฮลุฮูวะมิตละฮุมมะอะฮุมเราะห์มะตันมินอินดินาเราะห์มะตันมินอินดินาวะซิกราลิลอาบิลีนดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขา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 sal keep lay แต่ละคนอยู่ในหมู่ผู้อดทนวะอัดคอลนาฮุมฟีเราะห์มะตินาอินนะฮุมมินอัศศอลิฮีนและเราได้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีมีคุณธรรมวะดันนูอิดซะฮะบะมุฆอดิบันฟะซันนัลลันนะกุดรอะลัยฮิ فظننا اننا قدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين لاจงรำลึกถึงเรื่องราวของ สนูนนบียูนุส เมื่อเขาจากไปด้วยความโกรธพรรคพวกของเขาแล้วเขาคิดว่าเราจะไม่ทําให้เขาได้รับความลําบากแล้วเขาก็ร้องเรียนท่ามกลางความมืดทมึนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้อธรรมทั้งหลาย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 وَزَكَرِيَّا ابْنَ آدَمَ رَبِّهِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ لا จงรำลึกถึงเรื่องราวของซะกะรียาเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยฉัน لا برهموو ثانن بن فو سيب ثอด มรดกทีดียิง فاستัญญะลนา ละฮูวะวะบนาละฮูยะฮยาวะอศละห์นาละฮูซอญญะฮุอินนะฮุมกานูยูซาริอูนฟิลค็อยรอติวะยัดอูนนาระฆบาว ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนแก่เขาและเราได้ประทานบุตรแก่เขาคือยะฮยาและเราได้ปรับปรุงแก้ไขภริยาของเขาให้เป็นปกติแก่เขาคือหายจากการเป็นมั่นแท้จริงพวกเขาบรรดาศาสนาแข่งขันกันในการทําความดีและพวกเขาวิงวอนขอเราด้วยความหวังในความเมตตาของเราและด้วยความกลัวต่อการลงโทษ และพวกเขาเป็นผู้สำรวมตัวต่อเราอัลลาทีอหสนัตฟัรจาฟะนะฟะขนาฟีฮามินรูห์นาฟะนะฟะขนาฟีฮามินรูห์นาวะญะอัลนาฮาวะบนะฮาอายะตันลิลอาลามีนและจงรำลึกถึงสตรีที่รักษาความบริสุทธิ์ของนางเอาไว้แล้วเราได้เป่าวิญญาณของเราเข้าไปในนางแล และเราได้ทําให้นางและบุตรของนางเป็นสัญญาณหนึ่งแก่สากลโลกอินนาฮาซีอุมมะตุกุมอุมมะวาฮิดันตะอูวะอะนาร็อบบุคุมฟะอฺบุดูนแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดและพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาระหว่างพวกเขากันเองทั้งหมดนี้จะเป็นผู้กลับไปหาเราทําไมยะมลมินอัศอลิฮาตวะฮุวะมูมินฟะลากุฟรานลิซะอือฮ์<ภักษา> فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ ਦਨਨ ਪੂਦਾਈ ਪ੍ਰਕੋਪ ਖਾਮ ਦੀ ਦੋਈ ਥੀ ਖਾ ਬੇਨ ਪੂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਰ ਖਾਮ ਉਸਾ ਵਿਰਯਾ ਹ ਖੋਂਗ ਪੂਕ ਖਾ ਚ ਮੈ ਥੂਕ ਪਤਿਸੇਦ ਲੈ ਥੇ ਜਿੰਗ ਰਾਓ ਬੇਨ ਪੂ ਬੰਤੁਕ ਵਾਈ ਲਾਓ ਸੰਭਰ ਖਾ ਵਲ ਹਰਾਮੁਨ ਅਲਾ ਕੁਰਯਤਿ ਅਹਲਕਨਾਹ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ لَبِئَنْتِي ต้องห้ามกับชาวตําบลที่เราได้ทําลายมันแล้วว่าแน่นอนพวกเขาจะไม่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก دون غره حتى ما يا يوت و ما يوت تطلقออกมาจากกำแพง และพวกมันจะหลั่งไหลกันลงมาจากทุกทิศทาง وقن เมื่อสัญญาแห่งความจริงได้ใกล้เข้ามาขณะนั้นเรื่องของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาคือสายตาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะจ้องเขม็งแล้วกล่าวว่าโอ้ความหายนะของเราแน่นอนยิ่งเราอยู่ในความหลงลืมนี้ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นผู้อธรรมอีกด้วยอินนัคุมวะมาตะอฺบุดูนะมิน حَصْدُ جَهَنَّمَ انْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ تَأْتِي فُوكَاءُ فُوكَ بُوعَاجَ وَالَّذِي تُوكَاءُ كَرَبُ بُوعَاجَ أُورَادُهَا كُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ หากมันเหล่านั้นเป็นพระเจ้าจริงแล้วมันจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นและทั้งหมดจะเข้าอยู่ในนั้นตลอดไปละฮุมฟีฮาซะฟีรวะฮุมฟีฮาลายัสมาอูนสําหรับพวกเขาในนรกนั้นมีแต่เสียงครวญครางและพวกเขาในนรกนั้นจะไม่ได้ยินมันเลย ان الذين سبق لهم من الحسنات اولئك عنها مبعدون تاจิง บรรดาผู้ที่ความดีจากเราได้ประสบแก่พวกเขามาก่อนนั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ห่างไกลจากมันลายัสมาอูนฮะซีซาวะฮุมฟีมัชตะฮัตอันฟุซุฮุมคอลิดูน พวกเขาจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแผ่วเบาของมันและพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลตามที่จิตใจของพวกเขาปรารถนาลายะฮซุนูฮุมุลฟะซออุลอักบะรวะตะตัลลากาฮุมุลมะลาอิกะฮาดายะอ์มุกุมุลละซีกุนตุมตุอัดุนความตื่นตระหนกอันยิ่งใหญ่จะไม่ทําให้พวกเขาเศร้าสลด والملايكه ستพบพวกเขา وقالوا นี่คือวันของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ <iana> فاعลين วันที่เราจะม้วนฟ้าประหนึ่งการม้วนแผ่นกระดาษสําหรับการบันทึกดั่งเช่นที่เราได้มีการบังเกิดในครั้งแรกเราจะให้มันกลับเป็นขึ้นมาอีกเป็นสัญญาผูกพันกับเราแท้จริงเราเป็นผู้กระทําอย่างแน่นอน وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ เราได้จึงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีอัซซะบูร์หลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในลุฮ์มัฟซูดว่าแผ่นดินนั้นพวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบมรดกมัน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 และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลายกุลอินนะมายูฮาอิลัยอันมา อิลாஹุกุม อิลாஹุน วาฮิดฟะฮัลอันตุมมุสลิมูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันได้รับองค์การมาให้ประกาศว่า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 และฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลอินนะฮู ยะอฺลัมุล-จะฮฺระ มินัล-กอลิ วะยฺลัมุมาตักตุมูถ้าจริงพระองค์ทรงรอบรู้คำพูดที่เปิดเผยและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังเอาไว้วะอินนิอะดรีละอัลละฮูฟิตนะตุละกุมวะมะตาอฺอิลายฺฮีน และฉันก็ไม่รู้หวังว่าการประวิงเวลาจะเป็นการทดสอบแก่พวกเจ้าและอาจจะเป็นการร่าเริงไปชั่วขณะหนึ่งกอลร็อบบิหกุมบิลฮักวะร็อบบุนัรรัฮมานุลมุสตะอานอะลามาตัศฟูนเค้ามุฮัมมัดกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงตัดสินแก่เราด้วยความจริง และพระผู้อภิบาลของเราคือพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงถูกขอให้ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวหา